สหินนาติกะหนึ่งร้อยสารณะุกะหนึ่งปฏิจจวาระเหตุปัจจัยร้อยสิบสาสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุให้สักร้องไห้อาศัยสภาวธรรมชั้นต่ำซึ่งเป็นเหตุให้สักร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อร้อยสิบสี่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 ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีห้าวาระธรรมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระยอ่อสาชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยเพิ่มขยายให้พิจาราล 15. มิจฉตะนิยตตะติกะหนึ่งรสารณทุกกะหนึ่งปฏิจจวาระ เหตุปัจจัยร้อสหสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้อ่าศัยสภาวธรรมที่มีสภาวผิดและให้ผลแน่นอนซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้อ่าสายสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย ย่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิจารณาร้อสสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้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 สภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนและที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นซึ่งไม่เป็นเหตุให้สักร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยย่อเหตุตุปปัตใจมีห้าวาระอารามะณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อพึ่อขยายสหชาติวาระ ละถึงปัญหาวาระให้พิจาดณาสิบหมัคคารมณะตุกะหนึ่งรอยสรณทุกะหนึ่งถึงเจ็ดปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยร้อยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระ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 ละถึงอวิคตะปัจใจมีสิบเจดวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมยุญตะวาระเหมือนกับปฏิจัวาระร้อยสิบปสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองให้เป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตรองให้โดยเหตุปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้สะรองให้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีห้าวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นอารมณ์และที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุให้จักรร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรม ที่มีมรรคเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุและที่มีมรรคเป็นอธิปดีซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่มีมรรคเป็นเหตุซึ่งไม่เป็นเหตุตให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัปจจัยมีสามวาระยอร่อ1้อเกหตุปัจจัยมีสิบเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระ อธิปติปัจใจมีย an ี่สิบเอ็ดวาระอเนนตระปัจใจมีเก้าวาระสมณันตระปัจใจมีเก้าวาระสหชาตะปัจัยมีสิบเจ็ดวาระอัญญามัญญปัจัยมีสิบเจ็ดวาระนิสยปัจัยมีสิบเจ็ดวาระอุปานิสยาปัจใจมียี่สิบเอดวาระอเสวณปัจัยม um ีเ้าวาระกรรมะปัจัยม claro claro ีสิบเจ็ดวาระอหาระปัจัยมีสิบเจ็ดวาระละถึง สัมปยุตตะปั จ, จัยมี17วาระและถึงอวิคตะปัจจัยมี17วาระย่อเพิ่งขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในคุษลตึกะ 17. อุปนนตึกะหนึ่งร้สระทุกกะเจปัญหาวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจรอยยี่สสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุใี้สัดร้องไห้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุ ป, ปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสองวาระสหาชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึง จำ ป, ปัจจุตต์ปัจใจมีหนึ่งวาระละถึงอ language, วิคตะปัจจัยมีนหนึ่งวาระย่อร้อยยี่สิบเอ็ดสภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปันจจัยแก่สภาวธรรมที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอรมะณะปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีสามวาระละถึง ปณนิสียปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ18อตีตติกะหนึ่งรารณทุกกะเจปัญหาวาระเหตุปัจจัยร้อยสองสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอุปนินียปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อร้ยสสาภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระธรรมะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระละถึงอุปนิสัยปัจจัยมีสามวาระละถึงกรร ม, มปัจจัยมีสองวาระอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อพึ่งขยะายให้พิจาดาาเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกะ 19. กอตีตารมณติกะหนึ่งรอารณทกะ หนึ 1> 1่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป si right th right ็นต้นเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยร้อยยี่สิบสี่สภาวธรรมที่มีอริตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นเหตุให้สัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สักร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่งขยายสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระ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 สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สหัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีอานาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห่างเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห่างโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห่างเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่มีอดชธรรมเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตร้องห่างโดยอารมณปัจจัยย่อร้อยยสิเจ็เหตุถูปัจจัยมีสามวาระ อารามณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระละถึงสมณันตรปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปาณิสยปัจจัยมีเก้าวาระอาศิวะณปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากะปัจจัยมีสามวาระละถึง จมปัุตตปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อพึ่งขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในขุสรตะิกะยี่สิบอาชัตตะติกะหนึ่งรอยจรณะทุกกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยร้อยยี่สิบปสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุที่สะร้องไห้ อาศัยสภาวะธรรมที่เป really <sh> in ็นภายในตนซึ่งเป็นเหตุให้สัวรร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุให้สักรร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งเป็นเหตุให้สักรร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตวาระละถึงปัญหาวาระ ทุกปัจจัยพึงขยายให้พิาารรรานนาจารณาร้อยี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นภายในตนซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อสภาวธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกตนซึ่งไม่เป็นเหตุหตให้จัดร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุ ป, ปัจจัยย่อ เหตุปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตะวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยายให้พิสดาร 21. มชัชบัอดมาตตารมณติกะหนึ่งร้สระณทุกกะหนึ่งถึงปฏิจจวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยร3 0สาสสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ ซึ่งเป็นเหตุให้สัว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ททมมมซึ่งเป็นเหตุให้จัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุหหให้จัตกรร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุถูปัจจัยย่อเหตุถูปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตตะปัจจัยมีสองวาระ ย่อสาหะชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยพึงขยาให้พิสดารร้อยสาสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุุปัจจัยสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ อาศัสภาวะธรรมที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปุปใจยอ่อเหตุตุปใจมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจใจมีสองวาระยอ่อสหาชาตวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจใจพึงขยายให้พิสดาร22่สิสอสิทัศนติกะหนึ่งรสารณะทุกะหนึ่งถึงเจ็ด ปฏิจจาวาระเป็นต้นเหตุปัจจัยร้อยสาสิบสองสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้อาศัยสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสภาวธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ อาศัยสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีเจดวาระยอ่อร้อยสามสิบสามเหตุปัจจัยมียี่สบเอ็ดวาระอรมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาติปัจจัยมียี่สิบเอ็ดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหกวาระละถึง อุปนณิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปเรชาตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาเสวณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมียีสเอดวาระย่อสหาชาตวาระและถึงัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจาวาระร้อสามสภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้จัดร้องไห้ เป็นปัจจัยแก่ใภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ซึ่งไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้โดยเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอรมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระอนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมียี่สิเอดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีหกวาระนิสยปัจจัยมียี่สิเอดวาระ อุปาณิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาตปัจจัยมีหกวาระปัจาชาตปัจจัยมีเจดวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระรามะปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีเจดวาระอาหารปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมำยุตตปัจจใจมีหนึ่งวาระ วิปยุตตะปั จ, จัยมีแปดวาระและถึงอวิคตะปัจจมียี2สห้าวาระยอ่อพึงขยายให้พิจาลเหมือนปัญหาวาระในกุศลตึกกะสนิทัศนะตึกะและสระระาระทุกะจบธรรมานุโลมตึกะทุกะประธานจบ อภิธรมธรมะปิดดธรรมานุโลมตึกกะติกกะปะทานขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหนึ่งุสละิึกกะหนึ่งเวทนาตึกกะหนึ่งสุขายะเวทนายะสัมปยุตตบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจตุกนัยเหตุปัจใจหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอนกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาเกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา เกิดขึ้นพระเหตุปัจจัยย่อ 2. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณะปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปปะปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อสหาชาตะวาระและถึงสัมยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 3. ส, สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนา เป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพญญากฤิซึ่งสัมยุญด้วยสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุดด้วยสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจจสัมปยุดด้วยสุขเวทนาโดยระมณปัจจัยย่อ 4. เฮตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจยัยมีห้าวาระสัมันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตะปัจจัยมีสามวาระ อัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระเนสียปัจจัยมีสามวาระอุปาเนสียปัจจัยมีห้าวาระอาเสวนาปัจจัยมีสามวาระระมะปัจจัยมีหวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหารปัจจัยมีสามวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระย่อ พึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ 2. ทุกขายะเวทนายะสัมยุญตตบท1นถึงเปฏิเ จ, จวาระเป็นต้นปั จ, จยะเจตุกไนเหตุ ป, ปัจจัยและอารมณะณปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลซึ่งสัมยุญด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอ ก, กุศลซึ่งสัมยุญด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมป ย, ด ย, ย, มปยุด้วยทุกขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งสัมปยุด้วยทุกขเวทนาเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อ 6. เฮตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระ ละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนขปฏิจาวาระ 7. สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาโดยเหตุกปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาโดยอารมณ์ปัจจัยย่อ 8. เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีหนึ่งวาระพนันตระปัจจัยมีสองวาระละถึง นิสยปัจจัยมีสองวาระอุปานิสยปัจจัยมีสวาระอาเสวนปัจจัยมีหนึ่งวาระรามะปัจจัยมีสาวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสองวาระอินทรียปัจจัยมีสองวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคระปัจจัยมีหนึ่งวาระสัมำยุตตปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระ ย่อพึงขยายให้พิจาดาาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะสอทุกคมสุขเวทนายะสัมปยุตตบทหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจะจะตกะนัยเหตุปัจจัย 9. สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกคมสุขเวทนาอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยทุกคมสุขเวทนา เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุโขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งสัมพยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสิบ เคธุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมีสามวาระย่อสหาชาตาวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 11. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศล ซึ่งสัมปยุทด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขโมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยทุกขมสุขเวทนาโดยเหตุปัจจัยย่อ สิเหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงสหชาติปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญะปัจจัยมีสามวาระเลจริยปัจจัยมีสามวาระอุปาเนจริยปัจจัยมีเ้าวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีห้าวาระ วิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสามวาระสำยุตตะปัจจัยมีสามวาระและถึงอวิคตตะปัจจัยมีสามวาระยอ่อพึ่งขยายให้พิสดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ สุละตึกกะสองวิปากตึกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจตุกนยัย1ส ส, สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤ์ซึ่งเป็นวิปากอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากร์ซึ่งเป็นวิาาสสาวรรปากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงเอาวิคตปั จ, จัยมีหนึ่งวาระยอ่อ สหชาตะวาระละถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระสิบสี่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุตัวปัจใจย่อ เหตุปัจจ like ัยมีสองวาระอรามะณะปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสาหะชาตาวาระและถึงสัมบยุตตาวาระเหมือนประปฏิจจวาระสิหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศล ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยเหตุถูปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอรมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอรมณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอรหันต์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นเ <ic> หตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยของสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอารหันต์ปัจจัยย่อสิหเหตุปัจจัยมีสองวาระอารหันต์ปัจจัยมีสี่วาระ อธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยมีสองวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญามัญญปัจจใจมีสองวาระนิสัยปัจจัยมีสองวาระอุปาณิสัยปัจใจมีสี่วาระอาเสวะณปัจจัยมีสองวาระกรมมปัจจัยมีสองวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อ พึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลเบกะ 17. สภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อ ชาหชาตวาระและถึงปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจยและหนึ่งวาระหนึ่งอุสลติกะ 3. อุปาทินติกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุคนัย 18. สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤษซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤต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 แต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อยีเหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยมีสาวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึ ง, วจจวถงอวิคตาปัจจัยมี9้าวาระยอ่อสหชาติวาระละถึงสัมยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระยีอ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 โดยอารมณปัจจัยมีสามวาระย่อยี่สิสามเฮตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระอานันตระปัจจัยมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปานิสยปัจจัยมีเ้าวาระ ปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสิวะนาปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีเจดวาระละถึงมรรคปัจจัยมีเจดวาระสัมพยุตตปัจจัยมีสามวาระวิบยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบเอดวาระย่อพึงขย่าให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเศนาปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปาภะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึง ปัญหาวาระทุกปัจจัยเพิ่งขยายให้พิสดาร